ข อ, อนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนชะฉักกระสูตรจากคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตต่อจากคลาวที่แล้วในคลาวที่แล้วก็เรียนไปเกือบจบพระสูตรแล้ว ชะชักกสูตรพระสูตรที่กล่าวว่าด้วยเรื่องธรรมะหมวดละหกหหมวดธรรมะหมวดละหมีอะไรบ้างที่มีหหมวดนั้นรวมเป็นธรรมะ36ประการก็คือฉอัจฉริการิอายตานานี้อายตนาภายในทั้งหลาย6ประการนี้กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองะบาหิรานิอายตนานิอายตตนะภายนอกทั้งหลายหหมวดที่สามะวิญญาณกายาวิญญาณกายหรือกลุ่มของวิญญาณหกหมวดที่สี่ะผัสกายากลุ่มของผัสสะหกหมวดที่ห้าะเวทนากายากลุ่มของวิกลุ่มของเวทนา6 และ6ฉะตันหากายากลุ่มของตันหา6ประการนะครับธรรมะหมวดละ6 6หมวดรวมเป็น36ประการเหล่านี้พระองค์ทรงสแสดงเพื่อให้เราเห็นว่าทุกๆอย่างที่พูดขึ้นมาทั้ง36ประการนั้นล้วนเป็นธรรมะที่เกิดมาจากเขตจากปัจจัยไม่ใช่ตัวตนถ้าใครมากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะย่อมผิดพลาดเพราะว่า ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของสิ่งเหล่านั้นยังปรากฏอยู่เช่นว่าถ้าพูดว่าดวงตาหรือว่าจักษุมันเป็นอัตตาแต่ว่าโดยความจริงแล้วความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของจักษุนั้นยังปรากฏอยู่ถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็จะต้องพูดว่าอัตตานั้นเกิดขึ้นอัตตานั้นเสื่อมไปซึ่งมันไม่ถูกต้อง เพราะว่าคำว่าอัตตาในความหมายของความรู้สึกของบุคคลทั่วไปก็คือสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรควบคุมบังคับได้คำพูดของเขาก็จะขัดกันเองคล้ายๆกับพูดว่าสิ่งที่เป็นของเที่ยงนั้นไม่เที่ยงทำนองนี้สิ่งที่บังคับควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แล้วสิ่งที่เป็นของเราเป็นอื่นไปแล้วพูดในทำนองนี้นะอันนี้ก็คาพูดมันขัดกันเอง ซึ่งจริงๆถ้าเป็นของเที่ยงมันก็ต้องเที่ยงอยู่อย่างนั้นนี่นะฉะนั้นถ้าพูดว่าจักษุเป็นอัตตาแล้วคาพูดก็จะขัดกันเองเพราะว่าความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของจักษุก็ยังปรากฏอยู่ในหมุทธรรมอื่นๆสภาวะธรรมอื่นๆก็ทํานองเดียวกันตันหาเป็นต้นก็ทํานองเดียวกันถ้ากล่าวว่าตันหาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นตัวเราอันนี้ก็คําพูดก็ขัดกันเองเพราะว่า ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของตันหาก็ยังปรากฏอยู่ฉะนั้นตันหาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเท่านั้นเองนะครับตัวสภาวะอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเวทนาดังนี้เป็นต้นถ้ากล่าวว่าเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์อย่างนี้คำพูดก็ขัดกันเองนะฉะนั้นโดยสรุปรวบย่อทั้งหมดแล้ว ธรรมะทั้ง36ประการนั้นล้วนเป็นอนัตตาจักสุก็เป็นอนัตตารูปทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเป็นต้นจนถึงครบทั้งหมดนั่นแหละเป็นอนัตตาหมดนะครับอันนี้แสดงธรรมะหมวดละ66หมวด36ประการล้วนเป็นของไม่ใช่ตัวตนทีนี้หลังจากพระองค์แสดงอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็แสดงให้เห็นทางเกิดขึ้นของ ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนสักกายคือความเกิดขึ้นหรือว่าความเห็นผิดว่ากายว่าใจนี้เป็นตัวปินตนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะในภาษาบาลีท่านเรียกว่าสักกายสมุทยคามินีปฏิปทาซึ่งอยู่ในหน้าที่5นะบาลีข้อ424อันนี้พระองค์ก็จะบอกถึงว่า แท้ที่จริงธรรมะทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้มันล้วนไม่มีตัวตนแล้วก็สภาวะธรรมที่เหนือโลกคือพระนิพพานก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีทางมาอย่างไงบ้างจึงบอกเอาไว้ในสักกายสมุทยคามินีปฏิปทาคือหนทางข้อปฏิบัติวิธีการปฏิบัติที่ทาให้เกิดสักกายขึ้น เกิดความรู Kyoto. ้สึกว่าม <is> ีตัวมีตนขึ้นที่เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวเราของเราขึ้นมาก็เพราะเขาไปตามเห็นสิ่งต่างๆในโลกเช่นตามเห็นดวงตาตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรายิ่งตามเห็นบ่อยสักกายะคือความเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น อันนี้ท่านเรียกว่าสกายะสมุทยาคามินีปฏิปทานะแต่ที่จริงตัวตนไม่เคยมีและก็จะไม่มีไปเรื่อยๆแต่ที่นี้มันเกิดมาได้ยังไงที่เกิดมาเพราะว่าไปตามเห็นสิ่งต่างๆในโลกนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเราคือใส่ข้อมูลเข้ามานั่นเองนะพอใส่ข้อมูลเข้ามามันก็เป็นทางเพิ่มขึ้นของสกายะ คือความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนทีนี้ก็ได้แสดงถึงสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของสักกายะถึงความดับสนิทของการเข้าใจผิดผิดว่ามีตัวตนนั้นก็มีหนทางเหมือนกันเป็นสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือการตามเห็นสิ่งต่างๆบ่อยๆว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราตามเห็นดวงตาเห็นรูปทั้งหลายเห็นสภาวะต่างๆว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นเรื่อยๆนึ่งเนืองเข้าก็เป็นหนทางเป็นปฏิปทานที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของสักกายะคือความเข้าใจผิดว่า กายใจขันทั้ง5เป็นตัวเป็นตนได้อย่างนี้นะครับเรียกว่าสักกายนิโรธคามินีปฏิปทานะีอันนี้ความเห็นผิดว่ากายว่าใจเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านก็บอกเอาไว้แล้วก็จะดับมันจะให้มันหมดไปได้ยังไงก็บอกเอาไว้นะีอยู่ในสูตรนี้นั่นแหละและต่อมาก็ได้กล่าวถึงฐานะที่ เป็นไปไม่ได้สําหรับการกระทําที่สุดแห่งทุกขในปัจจุบันกับฐานะที่เป็นไปได้ในการกระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันในหน้าที่6บาลีข้อ425สําหรับบุคคลบางคนที่ยังไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเขาเสวยเวทนาแล้วก็ เกิดความเพลิดเพลินเมื่อถูกต้องสุ ข, ขเวทนาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์เมื่อถูกต้องกับทุกขเวทนาเมื่ออทุกขมสุขคือเฉยเฉยถูกต้องแล้วก็ไม่รู้ความจริงไม่เห็นความเกิดดับอันนี้ก็การที่เขาจะกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนฐานะที่เป็นไปได้ ก็อยู่ในหน้าที่เจ็ดบาลีข้อ426ก็คือเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเมื่อเขาเสวยเวทนาถูกเวทนากระทบเอาแล้วก็ไม่เพลิดเพลินไม่เศร้าโศกแล้วก็เห็นความจริงอย่างนี้เป็น ฐานะที่จะมีได้ที่เขาจะกระทำที่สุดแห่งทุกขได้ในปัจจุบันนะครับในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งถึงตรงนี้แหละฐนะานะที่เป็นไปได้ในการกระทำที่สุดแห่งทุกขในปัจจุบันในบาลีข้อ426ในย่อหน้าที่หนึ่งนี้ก็กล่าวถึงในด้านทางตานะทางทวารตา ทางทวารหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทํานองเดียวกันนะครับบุคคลที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันก็จะต้องเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงเห็นจกักษุที่มันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นรูปทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นจกักษุที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามไม่ใช่ตัวตนเห็นรูปทั้งหลายที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ เมื่อเห็นทางความเป็นจริงแล้วเมื่อกระทบผัสสะถูกเวทนากระทบเข้าก็จะไม่หลงเพลิดเพลินไม่เศร้าโศกและก็เห็นความเกิดดับแบบนี้จึงจะกกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนจบตรงนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นในประสูตรนี้ว่าจริงๆแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะหลักๆอยู่3ชุดด้วยกันนะก็คือชุดที่1ก็คือ ได้แสดงถึงธรรมะหหมวดหมวดละ6กจำนวน36ประการเหล่านี้ให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาและเป็นยังไงบ้างก็บอกนะก็คือบอกให้ทราบว่าความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของธรรมะนั้นมันปรากฏอยู่ฉะนั้นมันจึงเป็นอนัตตานะครบทุกอันเลยบอกครบทั้งหมดนะอันนี้เป็นความรู้อันที่หนึ่งที่อยู่ในสูตรนี้ ต่อมาก็ได้บอกถึงเกี่ยวกับสักกายะสักกายะความเห็นผิดว่ากายว่าใจเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็จะดับให้หมดไปได้ยังไงอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ได้มา ล, ายลอยๆนะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นก็เพราะเรายังมีอวิชชาเหลืออยู่ ยังไม่มีวิชายังไม่เกิดความรู้อันนี้เป็นพื้นฐานเดิมอวิชาผลักให้เรามาเกิดตามอํานาจของกรรมต่างๆทีนี้ก็ใส่ข้อมูลแล้วก็ไปตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรามันก็เลยรู้สึกว่ามีตัวมีตนไปเลยทีเนี้ยนะอันนี้ฉะนั้นความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้มา ล, ลอยๆมาจากเขตจากปัจจัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ความดับสนิทไปของสักกายะก็ไม่ใช่จะดับไปได้เลยลอยก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันก็คือจะต้องมาตามเห็นตรงกันข้ามเหมือนเรานี้ยังเห็นผิดอยู่ถ้าอยากจะเลิกเห็นผิดมันต้องเห็นให้มันถูกเท่านั้นนะแต่เดิมเราเคยตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเราถ้าอยากจะให้ความรู้สึกว่ามีตัวมีตน ม, มันดับสนิทไปจ้องต้องมาตามเห็นตรงข้าม ต้องมาเห็นบ่อยๆว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่สองชุดที่สก็ได้กล่าวถึงการกระทําที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันว่าทํายังไงจึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าทําไม่ถูกมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าทําถูกก็เป็นไปได้นะ่ะ ถ้ายังยินดียินร้ายอยู่กับโลกยังไม่เห็นความเกิดดับอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะกระทาที่สุดแห่งทุกแต่ถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อถูกเวทนากระทบเข้าแล้วก็เห็นความเกิดความดับเห็นอัศธ า, าอาทินวะและนิสรณะอันนี้เป็นไปได้ที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันนะครับ นี่เราก็เรียนกันมาจนเกือบจะจบแล้วนะต่อไปในหน้าที่8บาลีข้อ427ก็เป็นคําสรุปแล้วนะเราเรียนวันนี้ก็เรียนสรุปเลยนะครับใครยังจําไม่ได้ก็ต้องไปทวนเราว่าคราวที่แล้วเรียนอะไรไปบ้างบาลีข้อ427ในหน้าที่8อ่านพร้อมกันนะครับเอวังปฏสังพิโคเว สุตวะอริยสาวโกจากขุดสมิงปินิบินทติรูเปสุปินิบินทติจากขุวิญญาณีปินิบินทติจากขุสัมผัสเสปินิบินทติเวเดนายปินิบินทติตันหายปินิบินทติโสตสมิงปินิบินทติ ส, สัตเตสุป pues ิ nibindati คานัตสงปิ nibindati <DIS> คันเทสุปิ nibindati ชิวหายาปิ nibindati ราเสสุปิ nibindati กายสงปิ nibindati โพทพเบสุปิ nibindati มนัตสงปิ nibindati ทเมสุปิ n ิ b b ิน d a t i มะโนวิญญาณปิ nibbindati มโนสัมผัสเสปิ nibbindati เวดนายปิ n ิ b b i n d a t i ตันหายปิ nibbindati nibbindang วิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตตมิติ ยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพ ร, รมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตาญาติปะชานาตีตินะครับอันนี้ก็เป็นคำสรุปแล้วถ้าได้รู้จักธรรมะตามหมวดธรรมที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นก็มาถึงบทสรุปพระองค์ตรัสว่า เอวังปัดสังพิกเวสุตวะอริยสาวโกจากักขุสมิงปินิ บ, บินติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุรูเปสุปินิ บ, บินติย่อมเบือนายแมในรูปทั้งหลายดังนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ผู้ที่เป็นอริยสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สดับคือได้ฟังวิธีการต่างๆที่พระองค์แสดงเอาไว้แล้วแล้วก็เห็นอยู่อย่างนี้คือเอวังปัดสังเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างไหนล่ะก็อย่างที่พระองค์แสดงมาแล้วนั่นแหละเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาล้วนเป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัย อย่างนี้ฉะนั้นข้อปฏิบัติจริงๆก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือเอวังปัดสัง่งคือเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอย่างไหนก็เห็นอย่างที่บอกหลยเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราดังนี้เป็นต้นก็เห็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ผลของมันก็จะเกิดขึ้นคือย่อมเบื่อหนายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปทั้งหลายเป็นต้นนะครับ ดังการปฏิบัติจริงๆที่จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายก็คือเห็นอยู่อย่างนี้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่ามันจะเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางนะครับฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกฝนเพื่อจะปล่อยวางในตอนต้นแต่ว่าฝึกฝนเพื่อเห็นอยู่อย่างนี้การปล่อยวางการหลุดพ้นอะไรต่างๆมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเห็นนะครับไม่ใช่ไปบังคับให้มันปล่อย ในสิ่งที่เรายังต้องการอยู่มันแบบนั้นมันทําไม่ได้อันนั้นมันแค่ฝืนความจริงนะครับเราต้องเห็นความจริงของมันจนไม่ต้องการจึงปล่อยมันได้เนี่ยความหมายคืออย่างนี้นะลักษณะเช่นนี้คือไปเห็นอยู่อย่างนี้เห็นความจริงของมันพอเห็นความจริงของมันแล้วเราก็ไม่ต้องการมันเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะต้องการทําไมของไม่เที่ยงนะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่ยเราก็ไม่ต้องการเป็นทุกข์แล้ว อย่างนี้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่ต้องการมาเป็นของเราแล้วเเห็นความจริงของมันก็ไม่ต้องการพอไม่ต้องการก็ปล่อยได้เนี่ยนะแต่เวลาเราฟังทำบางทีก็ไปทํากลับข้างจริงอยู่ท่านสอนให้ปล่อยวาง <ambos> แต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้เราปล่อยในสิ่งที่เรายังอยากได้เนี่ยเรายังอยากได้โอ้อยากได้ละเกินปล่อยปล่อยปล่อยสิ่งที่อยากได้ แ, <hai> แบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรมันก็วนเวียนไปแล้วนะ บังคับใจตนเองตัวเองอยากได้ติดข้องอยู่แต่หลอกตนเองว่าปล่อยปล่อยวางๆงไปเขาว่าอย่างนี้ไปอีกนะวนเวียนบังคับตนเองให้ปล่อยในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ทหนองนี้แต่ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่อย่างนั้นให้ไปดูความจริงให้เห็นความจริงของมันว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเลิอกอยากได้พอเลิอกอยากได้ปล่อยไมทีนี้ก็ปล่อยอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยทีเดียว แต่เราโดยส่วนใหญ่เราชอบทํากลับข้างเห็นไหมวิธีของเราอะนะพอพูดนึงปล่อยปั๊บก็บังคับใจให้มันปล่อยทั้งๆ ท, ท, ที่ก็อยากจะได้อยู่นะเนี่ยบังคับใจไม่ให้มันดูทั้งๆ ท, ท, ที่อยากดูไหมยอยากดูอยู่เหมือนกันเนาเะก็ว่ากันไปนคนละทิศคนละทางกันไปนะครับแต่วิธีของพระพุทธเจ้าเอวังปัดสัง่งเห็นอยู่อย่างนี้นะเห็นเห็นตามที่มันเป็นจริงก็จะเกิดผลคือความเบื่อหน่าย เห็นจากสุว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ย่อมเบื่อนายมาเองทีเดียวย่อมคลายกำนัดย่อมพ้นจากมันไปอย่างนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เลิกยินดีเลิกอยากได้มันแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการต่างมันก็ไม่เหมือนกับที่เราคิดนะวิธีของพระพุทธเจ้าคือให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงพอรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็เบื่อนาย คลายกำหนัดได้หลุดพ้นจากมันไปได้เหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือต้องเห็นความจริงของมันเห็นความจริงของมันแล้วก็จะไม่ต้องการพอไม่ต้องการก็ไม่เอามันเท่านั้นแหลนะนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้ไม่เอามันนะถ้าบังคับจิตให้ไม่เอามันเดี๋ยวก็สักหน่อยมันก็ไปเอานู่นเอานี่เรื่อยไปวนเวียนไปเรื่อยๆไม่เอาอันนี้ก็จะไปเอาอันนู้นไม่เอาอันนั้นก็ไปเอาอีกอันหนึ่งไปเรื่อย ทำนองนี้มันก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่า ย, แ ม, ย, มายแม้ในรูปทั้งหลายจักขุวิญญาณเนปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุวิญญาณจักขุสัมผัสเสปินิ บ, บินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส เวทนายะปินิพินติย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาตันหายะปินิพินติย่อมเบื่อนายแม้ในตันหาเนี่ยถ้าเห็นความจริงความอยากได้มันก็ลดลงไปแล้วก็เบื่อที่จะอยากพอไม่เห็นความจริงมันก็จะเกิดความอยากอยู่เรื่อยถ้าเห็นความจริงเบื่อแม้กระทั่งที่จะไปอยากมันนะเราอยากจะดู เพราะเราไม่เห็นความจริงว่ามันไม่มีสาระอะไรเพราะเห็นว่าไม่มีสาระไปมันก็เบื่อแม้กระทั่งอยากความอยากจะดูนั่นแหลนี่ทอนองนี้เบื่อกระทั่งตันหานะครับฉะนั้นเราทั้งหลายให้เห็นตามที่มันเป็นจริงนะพอมันอยากขึ้นมาอีกท่านก็จะเบื่อแม้กร ะ, ะทั่งความอยากความอยากที่จะไปทำอย่างนั้นมันก็ยังเบื่อได้เหมือนกันเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้วขณะเห็นความจริงแล้วทาไมต้องไปอยากอีกมันยังสงสัยอยู่เลย ทำนองนี้นะมันยากลําบากเหมือนกันก็คอยดูไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ทางทวันอื่นๆก็ทํานองเดียวกันโสตสงปินิบินติย่อมเบือนายแม้ในหูสัตเดสุปินิบินติย่อมเบือนายแม้ในเสียงทั้งหลายนะทำนองเดียวกันก็สภาวะอื่นโสตวิญญาณีปินิบินติโสตสัมผัสเสปินิบินติเวทนายปินิบินติ ตัณหา ย, หายะปินิปินติย่อมเบื่อหนายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหนายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ย่อมเบื่อหน่ายแมในตัณหาที่อยากจะฟังเสียงนั่นเสียงนี่นะแต่เดิมเราอยากจะฟังเสียงนั่นเสียงนี่มันไม่รู้สึกเบื่อความอยากต่อไปถ้าเราเห็นความจริงว่าเสียงที่ไปฟังนั้นมันล้วนไรสาระ ฟังแล้วก็งันงนแหละแล้วก็เป็นของเกิดและดับต่อไปแม้ความอยากจะฟังเกิดขึ้นมันก็ยังเบื่อความอยากนั้นอีกอย่างนี้นะเคยเบื่อความอยากไหมส่วนใหญ่จะเป็นเบื่อเบื่ออยากๆกซะมากกว่าไม่ได้เบื่อความอยาก <c oughs> เบื่อเบืๆๆ่อยากยาเบื่อที่ต้องไปติดข้องเบื่อที่ต้องไปเพลิดเพลินแต่เดิมนี่มันพอเพลิดเพลินแล้วสนุกต่อไปพอเห็นความจริงแล้วแม้ขณะที่ จะไปเพลิดเพลินนี้มันยังเบื่อเลยเบื่อที่จะเพลิดเพลินพอเพลิดเพลินไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ยมันเห็นขนาดนี้นะถ้าเห็นความจริงแล้วนะครับถ้าไม่เห็นความจริงแล้วแม้เวลามันเพลิเดเพลินมันสบายเลยเกินแต่พอเห็นความจริงแล้วแม้ขณะเพลิดเพลินก็ยังเบื่ อ, อที่จะเพลิดเพลินไม่รู้จะเพลิดเพลินไปทําไมเพราะมันไม่ได้อะไรมันก็เป็นของไรสาระไร้แก่นสารนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเบื่อหน่ายแม้กระทั่งตันหาเคยเบื่อไหม ต้องเห็นตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อได้นะครับถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงมันไม่เบื่อนะอันตันหานี่อันอื่นๆส่วนใหญ่ก็เบื่อเบื่อยากอยากไปเรื่อยแต่ความเพลิดเพลินความติดข้องนี้มันไม่ยอมเบื่อสักทีแต่ถ้าเห็นความจริงแล้วแม้แต่ความติดข้องเกิดขึ้นความอยากได้ความเพลิดเพลินเกิดขึ้นมันก็ยังเบื่อที่จะอยากเบื่อกระทั่งที่จะไปเพลิดเพลินติดข้องจนกว่าจะเลิกได้จริงๆนะครับ อันนี้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้แหละจึงจะทําให้เป็นอย่างนี้ได้คานัสมิงปินิบินทติเบือนายแม้ในคานะคือจมูกคันเทสุปินิบินติเบือนายแม้ในกลิ่นทั้งหลายอันนี้ก็ทางจมูกคานวิญญาณคานสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสรวมทั้งตัณหาที่เกิดทางคานะอันนี้ ก็เหมือนกันเบื่อหน่ายเหมือนกันต่อไปทางชิวหาชิวหายะปินิพพินติย่อมเบื่อนายแม้ในลิ้นราเสสุปีนิพพินติย่อมเบื่อน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาบินญาณย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในตัณหากายสังมิงปีนิพพินติ ย่อมเบื่อนายแม้ในกายโพธเบสุปินิบินติย่อมเบื่อนายแม้ในโพธะพะคือสิ่งที่กระทบได้ทางผิวกายทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในกายวิญญาณเบื่อน่ายกายสัมผัสเบื่อน่ายเวทนาและเบื่อน่ายตัณหามณสมิงปินิบินติย่อมเบื่อนายแม้ในใจธรเมสุปินิบินติ ย่อมเบื่อนายแมในธรรมะที่รับรู้ได้ทางใจอารมณ์ต่างๆที่เป็นธรร ม, มารมรับรู้ได้ทางใจมโนวิญญาณเนปินิ บ, บินติย่อมเบื่อนายแมในมโนวิญญาณมโนสัมผัสเสปินิ บ, บินติย่อมเบื่อนายแมในมโนสัมผัสเวทนายะปินิบินติย่อมเบื่อนายแมในเวทนาตันหายะปินิ บ, บินติ ย่อมเบื่อนายแม้ในตัณหาฉะนั้นความเบื่อนายทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็มาจากเอวังปัดสังคือเห็นอยู่อย่างนี้อริยสาวกเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาดูมองดูเห็นเห็นเห็นให้มันถูกต้องเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานี่เห็นอยู่อย่างนี้แหละเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเห็นไปเรื่อยๆเห็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นนะครับก็จะเกิดผลคือความเบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดได้นิพพินทางวิรัชชติเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดเมื่อมีความเบื่อหน่ายเบื่อมันแล้ว ก็คลายความยึดติดคลายการยึดถือที่เหนียวแน่นออกมาเมื่อคลายออกก็พ้นจากมันไปวิราคาวิมุตตินะเพียงแค่คลายหรือว่าปล่อยมันไปก็จะพ้นจากมันที่เราไม่พ้นจากมันก็เพราะว่าเราอยากจะเอามันไว้นั่นแหละนะฉะนั้นท่านจะไปโทษลายไม่ได้ที่ท่านยังไม่พ้นไปจากสามีคนนี้จะไปโทษเขาดีเกินไปหรืออะไรก็ไม่ได้ เป็นเพราะว่าท่านไปจับเขาไว้นั่นแหละจึงพ้นไปไม่ได้ถ้าปล่อยเมื่อไหร่วางลงเมื่อไหร่ก็พ้นไปเมื่อ น, นั้นสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันกายกับใจที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ทํานองเดียวกันที่เราพ้นจากมันไปไม่ได้ก็เพราะว่าเรานั้นไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เบื่อนายไม่คลายกําหนัดน่ไปจับมันเอาไว้พอไม่จับมันก็ไม่ พอจับไว้ก็ไม่พ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นความจริงแล้วก็ปล่อยมันไปไม่จับมันเอาไว้ไม่ยึดมันเอาไว้ก็พ้นไปเท่านั้นเองวิราคาวิมุตติเพราะคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมมีญาณเกิดขึ้นว่าหลุดพ้นแล้วนะถ้าคนไหนที่หลุดพ้นจริงๆเขาก็จะ เกิดยานขึ้นมาเห็นว่าหลุดพ้นแล้วส่วนคนไหนที่ไม่มียานขึ้นมารู้สึกลุดหลุดติดติดแล้วก็สงสัยว่าเราหลุดหรื อ, อยังอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสงสัยเลยคือยังไม่หลุดนั่นเองถ้าหลุดจริงๆแล้วจะเกิดยานยางรู้ขึ้นมาโดยไม่มีการต้องถามใครอีกนเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานขึ้นมาว่าหลุดพ้นแล้ว ขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทถัตายาติประชานาติย่อมเกิดความรู้ขึ้นมาว่าชาติสิ้นไปแล้วการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้แลนะครับอันนี้ก็เป็นญาณความรู้ของผู้ที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติ เห็นโดยถูกต้องจนจบสมบูรณ์แล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะเกิดญาณย่างรู้ขึ้นมานะครับอันนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรนะก็คือให้เห็นอยู่อย่างนี้เท่านั้นเห็นไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เห็นก็ไปฝึกฝนให้จิตใจพร้อมสําหรับมาเห็นเท่านั้นแหละนะที่ยากก็คือการฝึกให้จิตใจพร้อมสาหรับเห็นอย่างนี้เพราะโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นกลับข้าง ของมันไม่เที่ยงเราไปเห็นว่ามันเที่ยงอันนี้มันผิดอยู่ดันั้นเราต้องมาฝึกจิตให้มันพร้อมสําหรับการเห็นนะถ้าของไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วอันนี้ก็ดีแล้วดีก็เห็นไปอย่างนี้แหละของไม่ใช่ตัวตนก็เห็นว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนของเป็นทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์อันน like. <children loves> <situation> ี้ก็เห็นถูกแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเห็นกลับข้างอันนี้ต้องมาฝึกจิตให้มันพร้อมสําหรับเห็นความจริงอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็สรุปพระสูตรนี้หลังจากพระองค์ตรัส จ, จบเรียบร้อยแล้วจิตของภิกษุทั้งหลายประมาณ60รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือเป็นพระอรหันต์ไปนั่นเองนะฉะนั้นแม้ตอนฟังพระธรรมนะถ้าฟังดีๆแล้วก็จิตใจมีความพร้อมมีความอ่อนโยนนิ่มนวลต่อการใช้งานเป็นสมาธิดีแล้วก็ สามารถที่จะเห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ก็บรุนธรรมได้นะในตอนนี้ก็กล่าวถึงภิกษุประมาณ60สรูปก็บรุออรหันไปด้วยสูตรชื่อว่าฉะฉักกระสูตรนี้ในตอนสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกันอิดะมะโวจะภควาอัตะมะนาเตภิกขูภควาโตพาสิตัง อะบินันดุนติอิมัตสมินจปะณะเวยาการณัสสมิงพันยะมาเนสัตถิมัตตานังพิกขูหนังอนุปาดายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติชาชากะสุดตังนิทิตังฉัดถัง อิดามโวจะพักวาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรดังนี้จบลงแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นพระสูตรมาจนกระทั่งถึงคำว่าประชานาติพระพุทธเจ้าตรัสจบเรียบร้อยแล้วอัตตมนาเตภิกขุพระกวโตภาสิตังอภินันดุงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคอัตตมนาก็ ชื่นชมพี่นันทุงก็ยินดีชื่นชมยินดีพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคอิมัตสมินจัปปนาเวยากราณาสมิงพันยามานก็เมื่อขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสเวยากราณพาสิทธ์อันนี้อยู่เวยากราณะก็แปลว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยมีแต่คำร้อยแก้วเป็นคำขยายความนล้วน ไม่มีคาถาอะไรต่างๆมาปนนะเป็นการขยายความไปธรรมดาธรรมดาแบบพระสูตรนี้เขาเรียกว่าวยากรณ์คือขยายความนะขยายความในที่นี้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหมวดละหกหหมวดมีอะไรบ้างมีลักษณะยังไงเป็นมายังไงก็ขยายความไปธรรมดาธรรมดาอันนี้เรียกว่าวยากรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสวยากรณ์อันนี้อยู่ สัตธิมัตตานังพิกขูนังอนุปาดายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุจิตของภิกษุทั้งหลายจำนวนประมาณห0สรูปได้หลุดผลแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนี้แลชัชักกสูตรที่หจบแล้วชะชักกสูตรตังนิตตังชัดถังนะครับ จิตที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายนั้นหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เพราะว่าปล่อยวางลงที่ปล่อยวางได้เพราะคลายกำหนัดที่คลายกำหนัดได้เพราะเบื่อหน่ายที่เบื่อหน่ายได้เพราะรู้ตามความเป็นจริงอันนี้นะฉันหน้าที่ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ก็ปล่อยวางได้ตามระดับความรู้ของตนเองนั่นแหละนะ ที่หลุดพ้นนี้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับไม่ใช่ไปหลุดพ้นเพราะว่าทําอะไรให้มันหลุดพ้นนะหลุดพ้นเพราะไม่ยึดไม่ถือเอาไว้เท่านั้นเองพอไม่ถือก็พ้นแหละทีนี้จะไม่ถือได้ยังไงอันนี้มันสําคัญตรงนี้แหละต้องเบื่อก่อนต้องเบื่อมันเอาจะเบื่อมันได้ยังไงต้องดูความจริงของมันไม่อยากได้มันรู้ความจริงของมันก็ไม่อยากได้ก็เท่านั้นแหละพอไม่อยากได้เอาเราไม่อยากได้แล้วนี่ ก็ปล่อยมันไปก็พ้นจากมันอย่างี้ฟังดูง่ายไหมฟังดูก็วิธีการมันเป็นอย่างนี้ส่วนการปฏิบัติก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะเราก็จะได้รู้วิธีแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแสวงหาหนทางหรือว่าวิธีการโน้นวิธีการนี้ให้มันวุ่นวายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ในสูตรต่างๆก็คล้ายๆกันอย่างนี้นั่นแหละนะ แต่เวลาที่เราปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่ก็พากันตำตรงกันข้ามโดยส่วนใหญ่นะพระองค์สอนให้เห็นตามความเป็นจริงนะฉหน้าที่ของเราต้องมาฝึกจิตใจตนเองให้มีความพร้อมในการเห็นความจริงนะพอมีความพร้อมในการเห็นความจริงแล้วก็มาดูความจริงจิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เอามาดูความจริงไม่ใช่มีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเป็นสุขแล้วก็เฉยอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมาดูความจริง ทำองนี้นะครับ ช, ชาคัสูตรจากคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันาฏก็จบแล้วต่อไปวันนี้เรียนอีกพระสูตรหนึ่งจากคำพีคุทะกานิกายสุดตนิบาตชื่อว่าดวยตานุปัสนาสูตรทวยตาแปลว่าสองข้างหรือว่าเป็นคู่คู่ อนุปัสนาแปลว่าการตามดูการตามเห็นพิจารณาเห็นมองเห็นเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆอย่างนี้ก็ได้นะตะวัวยตาแปลว่าสองข้างเป็นคู่คู่กันฉะนั้นเวลาพิจารณาธรรมะหรือว่าเห็นธรรมะต้องเห็นเป็นคู่คู่กันเป็นสองข้างไม่อย่างนั้นแล้วมันจะตกไปข้างหนึ่งพอตกไปข้างหนึ่งมันก็จะกลับไปยึดถืออันใดอันหนึ่งนะครับเห็นสองข้าง เรียกว่าตัปยตาอนุปัสนาตามดูตามรู้ตามเห็นพิจารณาเห็นมองเห็นหรือเราจะใช้คำไหนก็ได้นะสองข้างในแบบธรรมะเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆข้างโลกิยะข้างโลกุตระข้างทุกข์ข้างพ้นทุกข์อย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ออันอื่นๆ อ, อีกนะครับในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงวิธีการตามรู้ ธรรมะที่เป็นสองข้างคู่กันจำนวน16แบบด้วยกันนะครับเนเรารู้อันไหนก็เอาอันนั้นแต่ในพระสูตรนี้พระองค์ก็แสดงไว้ครบถ้วนแล้วก็เยอะเนี่แท่ที่จริงถ้ารู้เพียงแง่ใดแง่หนึ่งหรือว่าชุดใดชุดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้พระองค์แสดงแบบครอบคลุมหรือว่าให ครอบธรรมะไว้หลาย ห, ายหมวด น, นะครับดวยตานุปัสนาสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการตามรู้ธรรมะให้เห็นเป็นสองข้างสองขั้วขั้วโลกิยะขั้วโลกุตระขั้วทุกขั้วพ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับเอวํมเมสุตังเอกังสามยังพควา สาวัตยังวิหรติปุบารามีมิคารมามตุปาสาเดเตะนะโขปนะสัมเยนะภะควาตะดะหุปโปสเถปันนราเสปุณนายปุณณมายะรติยาภิกขุสังฆปริวุโตอพโภกาเส นิสินโนโหติอธะโขภควาตุนหีภูตังตุนหีภูตังพิกขุสังขังอนุวิโลเกตวาพิกขูอามันเตสินะในตอนต้นก็กล่าวถึงเหตุเกิดเรื่องก่อนเหตุเกิดพระสูตรนี้เอวะเมสุตังข้าพเจ้าคือท่านพระอนนต์ ได้สดับมาอย่างนี้เอกังสมยังในสมัยหนึ่งพักวาสาวัติยังวิหารติปุบารามมิคารมาตุปาสาเดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารปุบพารามซึ่งเป็นปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตุเป็นผู้สร้างใกล้เมืองสาวัตถีนะพระสูตรนี้เกิดที่ วิหารบุพารามซึ่งเป็นปราสาทที่นางวิสาขาเป็นคนให้สร้างปราสาทนี้ก็มีอยู่สองชั้นชั้นละ500ห้องนะก็คือเป็นปราสาทสองชั้นเป็นอาคารหลังใหญ่ทีเดียวนะซึ่งในทุกวันนี้ก็เราก็เห็นเห็นอยู่เป็นหลังใหญ่ๆเป็นตามวัดตามอะไรทั่วไปก็ก็สร้างกันแต่ว่าที่นางวิสาขาสร้างนี้มี1000ห้องนะมีสองชั้น ชั้น1ก็500ชั้นที่สองก็500นะครับฉะนั้นเวลามีเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับวิหารบุพารามก็จะมีหลายๆสูตรเหมือนกันนะในสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เกิดในวิหารบุพารามนั้นเตะนะโขปะนะสมเยณะพระวาตะดะหุโปสเถปันนรเสปุณนายปุญนามายะรติยา พิขุสังฆะปริวุโตอโปกาเสนิสินโนโหติในสมัยนั้นแหลเป็นเวลากลางคืนที่เป็นเวลา15้าค่ในวันอุโบสถพระจันทร์เต็มดวงตะนะหุโปสถวันอุโบสถปัรณระเสส5ค่้าคปุณนายะปุณนามายะพระจันทร์เต็มดวงเต็มที่ทีเดียวนยพระจันทร์เต็มดวง รัติยาในกลางคืนในสมัยนั้นเป็นเวลากลางคืนวันอุโบสถส5ห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ภิกขุสังฆปริวุโตมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางอพโพกาเซแปลว่าในที่แจ้งคือที่ไม่มีหลังคา แสดงว่าในที่ปร า, าสาทนั้นนอกจากจะมีห้องแล้วก็มีที่โล่งๆที่แจ้งทำเอาไว้ไม่มีหลังคาพระพุทธเจ้าก็นั่งตรงนั้นแล้วก็มีภิกษุแวดล้อมในคืนนั้นเป็นคืนอุโบสถ15คหาคำพระจันทร์เต็มดวงอัฏฐโคภัควาตุนหีภูตังตุนหีภูตังภิกขุสังฆังอนุวิโลเกตวาภิกขูอามัณเตสิ ในลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ที่เป็นคนนั่งนิ่งเงียบทั้งหมดตุณหีภูตังก็คือนั่งเงียบที่มีสองครั้งก็คือทุกคนต่างคนต่างเงียบอนุวิโลเกตวาแปลว่าแลดูแลดูไปตามลำดับเพราะว่าหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ก็เหลียวดูข้างนั้นเหลียวดูข้างนี้ ฟิกสูสงทุกๆรูปนั้นก็ต่างก็เงียบเงียบหมดนิ่งหมดทํำนองนี้นะไม่มีการกระดุกกระดิกหรือว่าไม่มีการไอการจามไม่มีการยึกยึกยักยักอ่าเขาเรียกนิ่งหมดนะครับพวกเราอาจจะนึกไม่ออกก็ได้เพราะว่าเวลาเรานั่งปักมันก็กระดุกกระดิกไปเรื่อยนะแต่ที่จริงพวกนั่งแล้วกระดุกกระดิกอันนีงพวกนี้ก็คือพวกใจไม่อยู่นิ่งพอใจไม่อยู่นิ่งมันก็พลอยให้ร่างกายไม่อยู่นิ่งไปด้วยนะครับ พอคนที่เขาทํากรรมฐานหรือว่าฝึกจิตใจตนเองเป็นรู้จักใจมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วพวกกายก็สงบระ ง, งับลงเรียกว่ากายปัจสทธิจิตก็สงบระ ง, งับลงจิตตปัจสถานก็ไม่มีการกระดุกกระดิกอะไรนะเป็นลักษณะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่มีการกระดุกกระดิกทุกๆรูป ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ที่ต่างรูปต่างก็นิ่งเงียบพระองค์ก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังต่อไปนี้นะภิกษุทั้งหลายต่างนิ่งเงียบรอฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสพระสูตรชื่อว่าดวายตานุปัสสนาสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับการตามรู้สภาวธรรมต่างๆให้เห็นเป็นสองขั้วสองข้าง นะครับในย่อหน้าที่สองอ่านพร้อมกันเยเตพิกเวกุสลาธรรมาอริยานิยานิกาสัมโบธคามิโนเตสังโวพิกเวกุสลานังธรรมานังอริยานังนิยานิกานังสัมโบธคามีนัง กาอุปนิสาสวนายติอิติเจพิกเวปุจิตาโรอัตสุเตเเ嵬มัตสุวัจนียายาวเดวะดวตตานังธรรมานังยะถาภูตังยานายติกินจดวยะตังวเดธา นีอันนี้พระองค์ก็ได้กล่าวขึ้นมาเพื่อจะแสดงธรรมะที่เป็นสองข้างที่เป็นคู่คู่กันสองคู่เหล่านี้นะครับพระองค์ตรัสว่ายเยเตพิกเวกุศลาธรร ม, มาอริยานิยานิกาสัมโบทะคามิโนเตสังโวภิกเวกุสลานังธรร ม, มานังอริยานังนิยานิกังสัมโบทคามินัง กาอุปนิสาสวนาญาติอิติเจภิกเวปุจิตาโรอัตสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าชนทั้งหลายถามอย่างนี้ว่าพึงมีชนทั้งหลายถามพึงมีผู้ถามอย่างนี้ว่านะเจก็แปลว่าหากว่านะอยู่บรรทัดที่สองนะพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจหากว่าปุจิตาโรอัตสุ ปุจิตาโรแปลว่าผู้ถามชนทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ถามอัตสุพึงมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าพึงมีผู้ที่ถามพึงมีชนทั้งหลายที่มาถามว่าอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าอะไรก็เป็นคำข้างหน้านะครับถามว่าเยเตพิกเวกุศลาธรร ม, มาอาริยานิยานิกาสัมโบทคามิโน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอริยอริยาแปลว่าเป็นอริยะไม่มีโทษเป็นเครื่องนำออกนิยานิกาเป็นเครื่องนำออกจากทุกสัมโบธคามิโนอันเป็นเหตุนำไปสู่การตรัสรู้เตสังโวพิขเวกุสลานังธรรมานังอริยานังนิยานิกานังสัมโบธคามินัง กาอุปนิสาสวนายะจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรด้วยการฟังกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอริยะที่เป็นเครื่องนําออกที่เป็นเหตุนําไปสู่การตรัสรู้สําหรับเธอทั้งหลายนะครับจะมีประโยชน์อะไรธรรมะ ที่เป็นกุศ ล, ลธรรมที่เป็นอริยะเป็นเครื่องนําออกเป็นเหตุให้ไปสู่การตรัสรู้ก็คือธรรมะชุดที่เป็นโพธิปักกิย ธ, นะธรรมนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ทีนี้ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาฟังธรรมะเหล่านี้มีประโยชน์อะไรนะถ้ามีคนถามว่ามีประโยชน์อะไรที่ต้องมาฟังธรรมะชั้นสูงๆอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่มียังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไปไม่ถึงจะมีประโยชน์อะไร เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยมาฟังเรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟังเรื่องสติปัฏ ฐ, ฐานฟังเรื่องอริยมรรคทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เกิดเกิดสักทีหนึ่งมันมีประโยชน์อะไรถ้ามีคนถามนะอันนี้นะเคยมีคนถามบ้างไหมนะสามีอาจจะถามไฟบ่อยจะได้ตอบเขาได้นะอย่างนี้อันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากพึงมีคนถามว่า นี่กุสลธรรมทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นอริยะเป็นเครื่องนําออกเป็นเหตุนําไปสู่การตรัสรู้ที่มีอยู่นั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการ ฟ, ฟ, ฟังธรรมะเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรด้วยการฟังสติปัฏฐานสสมปัฏฐานสอริยมรรคมีองค์8ฟังเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทาั้งทั้งที่เราก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอจะมีประโยชน์อะไรจึงไปฟังนะทำอนองนี้นะครับ กาอุปนิสาแปลว่าจะมีประโยชน์อะไรสวัณยะเพื่อที่จะฟังเรื่องนั้นเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นอริยะอริยนังนิยานิกังซึ่งเป็นเครื่องนําออกจากทุกขสัมโบธคามีนังอันเป็นเหตุนําไปสู่การตรัสรู้นั่นแหละนะนี่เราทั้งหลายก็ยังติดข้องยินดีอยู่กับโลกมีประโยชน์อะไรที่มาฟังเรื่องพ้นโลกเนี่ย น่าสงสัยไหมถ้าไม่มีคนถามก็สงสัยตัวเองก็แล้วกันเอาไว้ตอบตัวเองก็ได้นะทำนองนี้ก็ติดข้องอยู่กับโลกเพลิดเพลินนะแต่มาฟังเรื่องว่าอย่าไปเพลิดเพลินเออมันมีประโยชน์อะไรน่าสงสัยเหมือนกันนะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถ้ามีคนมาถามว่ามันมีประโยชน์อะไรที่ไปฟังธรรมะชุดเหล่านั้นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเตวามัสสุวัจณียา ชนทั้งหลายเหล่านั้นอันเธอพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพึงตอบเขาอย่างนี้ว่ายาวะเดวะดวายตานังธรรมานังยถาภูตังยานายะพึงตอบกับเขาอย่างนี้ว่าที่ฟังธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เพื่อให้รู้จักธรรมะที่เป็นสองข้างตามที่มันเป็นจริง ดยานายะเพื่อให้รู้เพื่อให้เกิดญาณเพื่อให้รู้จักดวยตานังธรรมานังซึ่งธรรมะที่เป็นสองข้างสองขั้วยะถาภูตังตามที่มันเป็นจริงยาวะเดวะก็คือเพื่อวัตถุประสงค์เวลาตอบเขาก็ตอบว่าเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อรู้จักธรรมะที่เป็นสองข้างตามที่มันเป็นจริงจริงอยู่ตอนนี้เราไม่เห็นอีกข้างหนึ่ง แต่ว่าเราฟังเพื่อให้รู้จักตามที่มันเป็นจริงถ้าเราไม่รู้จักไม่ได้ฟังเป็นไงเราก็มาหลงเชื่อชาวบ้านนี่ก็เดีไม่รู้ว่ามันมีอีกข้างหนึ่งนีมาหลงทุกวนเวียนอยู่ไม่รู้ว่ามันมีพ้นทุกข์ด้วยเราก็ไม่รู้ทีถ้าเราไม่ฟังอย่างนี้ถ้าเราโมวแต่เพลิดเพลินทําอย่างที่ตัวเองทําเท่าที่ตัวเองทําได้อยู่ไม่ฟังว่ามันมีมนั่งยิ่งกว่านี้อีกเราก็วนวนเวียนเวียนหมกอยู่ตรงเนี้คิดว่าเลิศประเสริฐแล้ว ทำนองนี้มันก็ไม่รู้นะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ฟังธรรมะชนิดที่เป็นอริยะที่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์อันเป็นเหตุนําไปสู่การตรัสรูน้นี้ก็เพื่อรู้จักธรรมะที่เป็นสองข้างตามที่มันเป็นจริงนะทีนี้ถ้าเขาถามอีกว่ากินจะดวยตังวเดทะถ้าเขาถามว่าท่านทั้งหลาย จงบอกธรรมะทั้งหลายที่เป็นสองข้างนั้นว่าคืออะไรดังนี้ก็จงบอกเขาเป็นข้อๆไปอไป1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง16ข้อนะแต่ที่จริงเรารู้แค่ข้อหนึ่งก็เก่งแล้วตำต้องเนี้ยนะแต่ว่าพระองค์ก็ขยายความไว้ให้เหมาะกับภิกษุทั้งหลายที่นั่งฟังนั้นมีจำนวน16ชุดด้วยกันนะครับเป็นคู่ๆกัน เป็นสองข้างให้เห็นว่ามีข้างอะไรบ้างท่านอ่านดูหรือว่าพิจารณาดูก็จะพอมองออกแหละนะจะได้นาไปตอบคนอื่นเวลาเขาถามหรือไม่ก็ตอบตอนเองว่าที่มาฟังธรรมะทั้งๆที่ตัวเองก็ยึดติดอยู่แต่มาฟังเรื่องไม่ยึดติดนี่ทั้งๆที่ตัวเองก็อยากได้นั่นได้นี่แต่ว่าฟังเรื่องไม่อยากได้นี่มันมีประโยชน์อะไรจะได้ตอบตอนเองได้นะครับ ต่อไปธรรมะที่เป็นสองข้างอันที่หนึ่งอ่านพร้อมกันในย่อหน้าที่สามอิดังดุขขังายังดุขสมุทโยติายะมีกานุปัสนาายังดุขนิโรโดายังดุขนิโรทคามินีปฏิปดาติายังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมา ดวายาตานุปัสสีโนภิกเเวภิกขุโนอัปปมัตตัสอาตาปิโนปหิตตัสสาวิหรโตดวินนังพลานังัญญตรังพลังปาติกังขังดิเถวะธรรมอัญญาสติวาอุปาดิเสเส อ น, นาคามิตาตินะอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งอิดังทุก ข, ขังอยังสมุตโยติอยเมกานุ ป, ปัสนาพิจารณาว่านี้คือทุกนี้คือทุกขะสมุทยัยอันนี้คือเป็นการตามดูข้างที่หนึ่งน่ะ นี้ทุกข์กับนี้ทุกขะสมุทัยนี้เป็นข้างหนึ่งอนนี้นะเนี่ยพิจารณาอย่างนี้อันนี้เป็นข้างหนึ่งอยังทุกขนิโรโธอยังดุกขนิโรโธอยังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปดาติอยังดุติยานุปัสนานี้ทุกขนิโรธานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้อัน น, น, นี้เป็นการ ตามรู้หรือว่าพิจารณาข้างที่สองนะมีสองข้างทุกข์กับทุกขสมทัยนี้เป็นข้างหนึ่งทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคาวินีปฏิปทานี้เป็นอีกข้างหนึ่งนะอันนี้ก็เอาเรื่องอริยรรสัจสี่มาตั้งก่อนนะพิจารณาให้เห็นเป็นสองข้างอันนี้มันทุกข์นะนี้หเหตุให้เกิดทุกข์นะอันนี้พิจารณาแบบนี้เป็นข้างหนึ่ง ทุกขนิโรธาความดับสนิทของทุกความไม่มีทุกขกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกขอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งทํานองนี้นะครับเราทั้งหลายพากันมีทุกอยู่วนเวียนอยู่ยังไม่เห็นทุกขานิโรธะก็ไม่เป็นไรก็มาพิจารณาได้เหมือนกันเป็นสองข้างข้างนี้ทุกขอีกข้างหนึ่งพ้นทุกไป ทุ ก, กับทุกขันสมุทัยนี้ข้างหนึ่งทุกขานิโรธกับทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนี้อีกข้างหนึ่งคนละข้างกันทํานองนี้นะครับพอแยกอย่างนี้ได้แล้วธรรมะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเรียนมาเราก็สามารถแยกได้แล้วเวลาพิจารณาต้องพิจารณาให้ได้2ข้างอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพอไปเรียนเรื่องทุกเรื่องขันห้าปั๊บเราก็จะจมอยู่แต่เรื่องเรียนเรื่องขันห้าวนเ ว, วียนซึ่งเป็นกองทุก ไม่ได้เรียนอีกข้างหนึ่งไม่ได้พิจารณาอีกข้างหนึ่งว่าความดับสนิทของขันห้าดับสนิทของกองทุกขก็มีท่านลองนี้มันไม่ได้สองข้างนะมันต้องมาฟังความดับสนิทของขันห้าด้วยไม่ใช่ฟังแต่เรื่องขันห้านะฟังเรื่องขันห้าแล้วก็ไปแจกขันห้ายางโู้นอย่างนี้อันนี้ก็ข้างเดียวก็หนักไปข้างหนึ่งเลยมันก็ไม่ได้อะไรนะเราต้องมาฟังอีกข้างหนึ่งจะได้พิจารณาอีกข้างหนึ่งคือความดับสนิทของขันห้านะเหมือนกับเราได้มา แม่ได้มาเป็นของเราเราต้องมาฟังว่าเสียไปไม่ใช่ของเราดูดีไหมขานอำนาจกันบ้างนะทำนองนี้นะมีการเกิดมาก็ต้องไม่เกิดมาฟังเรื่องไม่เกิดบ้างตายก็ฟังเรื่องไม่ตายมันคนละข้างกันอย่างนี้ทานองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเข้าใจพระสูตรนี้แล้วเราก็สามารถพิจารณาหรือว่าตามรู้กับธรรมะได้ทุกๆุกอันที่เราเรียนจะได้ไม่เรียนตกไปข้างหนึ่ง ถ้าเรียนตกไปข้างหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรมันวนเวียนนะครับแต่ถ้าสองข้างแล้วเราก็จะได้รู้จักความจริงถึงแม้จะยังไม่เห็นก็ตามอย่างน้อยก็ได้รู้จักนะที่พระพุทธเจ้าบอกประโยชน์เอาไว้ว่าให้ตอบเขาว่าเพื่อรู้จักธรรมะที่มีสองข้างตามที่มันเป็นจริงธรรมะมันมีสองข้างนะมีสองขั่วนะคั่วหนึ่งเป็นโลกิยะ ของโลกเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขไร้แก่นสารไร้สาระอีกอันหนึง่งโลกุตระเหนือโลกไม่เกิดไม่ดับมีสาระแก่นสารนีมีสองขั้วแต่ถ้าเราไม่รู้ไปตกอยู่ขั่วหนึ่งซะและ้วมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นที่เราฟังธรรมะเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นอริยะชนิดที่นําออกจากทุกข์ที่เป็นเหตุนําไปสู่การตรัสรู้ก็เพื่อรู้จักว่าอามันมีสองข้างถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ถึงยังไม่รู้ก็ตาม แต่อย่างน้อยก็รู้ใช่ไหมว่าจริงๆมันมีนะสองข้างเนี่ยทำนองนี้นะเหมือนกับมีร้อนก็ต้องมีเย็นแก้เนาะร้อนเพราะกิเลสก็ความไม่มีกิเลสก็มีด้วยเหมือนกันทํานองนี้ถ้ามีกิเลสแล้วมันร้อนความไม่มีกิเลสเลยมันก็เย็นทำนองนี้นะมันก็เป็นคู่กู้กันอย่างนี้ถ้ามีกิเลสเรียบร้อยแล้วไปวนเวียนเที่ยวทุบตีกิเลสหัวหมุนอยู่ในไหนมันก็ ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไไม่รู้จักว่ามีอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับทำนองนี้นะอันนี้ท่านก็ยกเรื่องอริยสัจสี่ขึ้นมาแยกแยะให้ดูก่อนอิดังทุก ข, ขังอายังทุกขะสมุตโยติอายะเมกานุปัสนาการพิจารณาว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยดังนี้เป็นการตามรู้ข้างหนึ่งอายะเมกานุปัสนา นี้เป็นการตามรู้ข้างหนึ่งพิจารณาข้างที่หนึ่งอายังทุกขนิโรโทอายังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปดาติอายังดุติยานุปสนาการพิจารณาว่านี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธคาไินีปฏิปทาดังนี้อันนี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองมีข้างที่หนึ่งและข้างที่สอง น, นเนี่ยคู่หนึ่งแล้วตอนนี้ได้1คู่นะครับเนี่ยลักษณะทานองนี้เขาเรียกว่าดวัยัตาคือธรรมะที่เป็นคู่คู่มีสองข้างคู่แต่ไม่ใช่คู่แบบทางโลกโลกทางโลกโลกจะเป็นดีกับชั่วอันนี้คู่หนึ่งสูงกับต่ำอันนี้คู่หนึ่งดำกับขาวคู่หนึ่งไอ้แบบนี้มันพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรได้แต่กิเ ล, เลสแหละอย่างเงี้ยนะพอดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจอันนี้ได้แต่กิเลส แต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นไงโอ้หมดกิเลสนะมันไม่เหมือนกันนี้ก็คล้ายๆคู่เหมือนกันใช้แบบทางโลกมาใช้แต่ว่าไม่ได้แบบโลกนะเอาแบบมีโลกกับเหนือโลกไปทํานองนี้นะครับพระองค์ก็บอกอ น, นิสงส์การพิจารณาอย่างนี้เอาไว้ว่าเอวังสัมมาทวายตานุปัสสิโนภิกเวภิคุโนอัปปมัตัสอาตาปิโนปหิตตตัสสวิหิรโต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติตามรู้ธรรมะสองข้างโดยชอบอย่างนี้และเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีจิตตั้งมั่นส่งไปแล้วดำเนินชีวิตอยู่นะถ้าพิจารณาอย่างนี้โดยถูกต้องตามที่เป็นจริงนะแล้วก็เป็นอัิมัตตสระด้วยเป็นคนไม่ประมาทด้วย มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออาตาปีโนมีความเพียรเผากิเลสไม่ทําตามกิเลสนะเผากิเลสไม่ทําตามความอยากได้ความต้องการปาหิ ต, ตัดตัสมีจิตตั้งมั่นส่งตรงไปแล้วนะตรงไปทางที่มันถูกต้องนะมั่นใจเด็ดขาดมั่นคงเด็ดขาดว่าไปทางนี้ทํานองนี้นะโดยส่วนใหญ่เราก็คงจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็ยังไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ฟังไว้อันนี้พระองค์บอกอันนี้ส่งว่าถ้ามาเป็นผู้ที่มีปกติตามรู้ธรรมะที่มีสองข้างโดยถูกต้องอย่างนี้แล้วเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนที่มีใจตั้งมั่นส่งไปแล้วดำเนินชีวิตอยู่ดวินนางพลานังอัญญตาังพลังปาติกังขังเธอก็พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการ เหล่านี้คือดิเถวธรรมเมอัญญาจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาติปัจจุบันอย่างหนึ่งสติวาอุปาดิเสเสอนาคามิตาก็หรือว่ามีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีเนี่ยเห็นไหมประโยชน์เยอะไหมเยอะมากนะเนี่ยถ้ามาพิจารณาเห็นมีสองขั้วและเป็นคนไม่ประมาทนะเป็นคนมีความเพียรเผากิเลสพิจารณา สังเกตไปเรื่อยๆว่ามีสองข้างอย่างนี้นะนี่จะได้สามารถหวังผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเป็นพระอราหันต์ในชาติปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มีอุปาทิความยึดเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีอันนี้ท่านบอกผลขั้นสูงมาเลยนะฉะนั้นข้ามพระโสดาบันข้ามพระสกทาคามีไปเลยขนาดสูงยังหวังได้นะ อันต่าลงมาหวังได้ไหมโอ้หวังได้แน่นอนทํานองนี้นะคือพูดสูงๆมาก่อนล่อใจล่อใจทํานองนี้เนี่ยถ้ามาพิจารณาให้ถูกต้องอย่างนี้แม้แต่อรหันในปัจจุบันก็ยังหวังได้ทีนี้ถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็ยังเป็นอนาคามีก็ได้จะป่วยกล่าวไปใยญ่ถึงเป็นพระโสดาบันพระสักคาคามีเล่าทํานองนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ขอให้รู้อย่างนี้แล้วก็เป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมี จิตใจที่มั่นคงแน่นอนแล้วก็ทำไปอย่างเต็มที่ก็สามารถหวังผลได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันหรือถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่กิเลสไม่หมดโดยสิ้นเชิงก็เป็นพระอนาคา ม, มีนะฉะนั้นการรู้เรื่องนี้มีประโยชน์มากนะครับต่อไปพระองค์ก็หลังจากตรัสเป็น คำร้อยแก้วที่ขยายความเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะตรัสเป็นรูปคาถาเพื่อเป็นการย้ําคําอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าบางคนชอบแบบขยายความธรมธรมดาธรรมดาบางคนชอบแบบคาถานะอ่านพร้อมกันนะครับอิดะมะโวจะภควาอิดังวัตวานะสุขโตอถาปรัง เอตัดโวจะสัทธาเยดุขขังนับประชานันติอโดทุกขัสสะสัมภวังยัตถะสัพปะโสดุขขังอเสสังอุปรุจติตันจะมักขังนัชชานันติดุขขูปะสะมัคคามินังเจโตวิมุตติหินาเต อโธปัญญาวิมุตติยาอภพาเตอันตะกิริยายะเทเวชาติชรูปคาเยจัดุขขังประชานันติอโธดุขขสะสัมภวังยัตถะสับปโสดุขขังอเสสังอุปรุชชติตันจามักขังประชานันติ ดุขูปัสะสะมะคามินังเจโตวิมุตติสัมปันนาอาโธปัญญาวิมุตติยาพัพพาเตอันตะกิริยายะนาเตชาติรูปรคาตินะอันนี้ก็เป็นคาถาสรุปความของการพิจารณาธรรมะที่เป็นสองข้าง คู่กันอย่างที่หนึ่งอิดามะโวจะพักวาพระผู้มีพระภาคคันได้ตรัสเนื้อความนั้นจบลงแล้วอิดังวัตวานะอัถาปรังเอตะดโวจะรัทธาพระสุคตขันได้ตรัสคำนี้จบลงแล้วผู้ที่เป็นศาสดาคือพระศาสดาก็ได้ตรัสคาถาดังต่อไปนี้ในลำดับต่อไปข้อ730สสิ เยทุกขังนับปมัชชนติอโธทุขัสสะสัมภวังยัตถะสับปโสทุกขังอาศสสังอุปรุชติตันจะมักขังนานานติดุขูปะสมะขามินังชนทั้งหลายเหล่าใดหรือว่าสมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่าใดชนทั้งหลายเหล่าใดนะย่อมไม่รู้จากทุกแล้วก็ไม่รู้จากเหตุใหเกิดทุก นัปัญญานันติแปลว่าย่อมไม่รู้ทุกขังซึ่งทุกขย่อมไม่รู้จักทุกขไม่รู้จักทุกว่ามันเป็นทุกขอโถดุกขัสะสัมภวังและก็ไม่รู้เหตุเกิดของทุกขสัมภวังแปลว่าเหตุเกิดของทุกขยัตถะสัมปโสทุกขังอเสสังอุปรุชติและทุกข์โดยประการทั้งปวง จะเข้าไปดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือในที่ใดก็ย่อมไม่รูนะ้ความดับสนิทของทุกโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือพระนิพพานทุกก็คือกายกนะับใจ ข, ขันทั้งห้านะพระนิพพานดับสนิทของทุกขนามรูปขันทั้ง5กองทุกทั้งหมดดับสนิทที่พระนิพพานทุกดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือในที่ใดโดยประการทั้งปวงเขาก็ย่อมไม่รู้ ตันจะมักขังนาชานันติทุกขูปะสมคามินางและย่อมไม่รู้จากขนทางอันนั้นอันทาให้ถึงความเข้าไปดับสนิทของทุกข์ทุกขูปะสมคามินางเข้าไปถึงความดับสนิทของทุกขไม่รู้จากขนทางข้อเจ็ามสิเจโตวิมุตติหีนาเตอโธ ปัญญาวิมุตติยาอภพพาเตอันตะกิริยายะเตเวชาติชรูปรขาชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตต์และเสื่อมจากปัญญาวิมุตต์ผู้ที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับสนิทของทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักหนทางอันทําให้ถึงความดับสนิทของทุกขชนทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้เสื่อมแล้วจากเจโตวิมุต ต, มติเีนาเีนาแปลว่าเสื่อมเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตติอโถปัญญาวิมุตติยาแล้วก็เสื่อมจากปัญญาวิมุตติอภพพาเตอันตะกิริยายะชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อกระทาที่สุดแห่งทุกอภพพาไม่สามารถไม่เหมาะสม ไม่ใช่กลุ่มที่จะทําให้ถึงที่สุดของทุกข์อันตะแปลว่าที่สุดกิริยายะแปลว่ากะระทําเป็นผู้ไม่สามารถที่จะกะระทําที่สุดแห่งทุก์เตเวชาติชรูปคาชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงชาติแล้วก็ชาราอย่างแน่นอนทีเดียวนะอันนี้พวกที่ไม่รู้จักอริยสัจทั้งสนะแยกไม่ได้ว่าข้างนี้ ทุกข้างนี้พ้นทุกนี่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์ไม่สามารถที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกชนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้เข้าถึงชาติและชราอย่างแน่นอนคือต้องเวียนเกิดเวียนแก่ไปอีกอย่างแน่นอนนะทำนองนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้ายังไม่รู้อริยสัจยังไม่รู้ความจริงอันนี้ไม่มีปัญญาเห็นอันนี้ก็ ต้องเป็นผู้เข้าถึงชาติแล้วก็ชราอย่างแน่นอนได้เกิดใหม่แล้วก็ได้แก่ใหม่อีกอย่างแน่นอนเนเกิดใหม่ก็ดีบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วน่าเกลียดแล้วปแปลงร่างเป็นเด็กซะหน่อยดีกว่าแต่ ย, ยังไม่รู้อริยสัจมันก็อย่างนี้นะชาติชรูปคาต่อไปฝั่งตรงกันข้ามถ้ารู้เยจะดุกขังปะชะนันติ อโธดุกขสะสัมภวังยัตถะจะสับปโซทุก ข, ขังอเสสังอุปรุษชติตันจะมักคังปชานันติดุกขูปสมาคามินังส่วนว่าชนทั้งหลายเราใดย่อมรู้จักทุกขตามที่มันเป็นจริงรู้จักทุกว่ามันเป็นทุกขและรู้จักเหตุให้เกิดทุกขและทุกทั้งและทุกจะเข้าไปดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงในที่ใด ก็รู้อันนั้นด้วยคือรู้พระนิพพานรู้ทุกขานิโรธาตันจะมักครังประชานันติย่อมรู้จักขนทางอันนั้นทุกขูปสมัมมคามินังอันทำให้ถึงความดับสนิทของทุกขเจโตวิมุติสัมปันนาอัโถปัญญาวิมุติยาจนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพูถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปั ญ, ญาวิมุตติ พพาเตอันตะกิริยายะชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้สมควรเป็นผู้สามารถเพื่อที่จะกระทําที่สุดแห่งทุก์ได้ณนะเตชาติชรูปขาชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้เข้าถึงไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงชาติและก็ชารานะทํานองนี้นะครับ ฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดใหม่ไม่อยากแก่ใหม่ไม่อยากตายใหม่วนเวียนไปเรื่อยก็ต้องรู้อริยสัจนะถ้ารู้อริยสัจก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์คนนี้แหละเป็นผู้ที่สามารถเพื่อที่จะกระทาที่สุดแห่งทุกได้แล้วก็ไม่ต้องเข้าถึงชาติแล้วก็ชาราอีกนะครับอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะเป็น การกล่าวถึงธรรมะสองขั่วนะสองขั่วชุดที่หนึ่งคือทุกข์กับทุกขะสมุทยัยอันนี้เป็นข้างหนึ่งทุกขะนิโรธกับทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งนะพิจารณาให้เห็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับทุกข์กับความพ้นทุกข์คนละข้างกันนกะ็ะจะได้รู้ว่าเออเราทำอย่างนี้อยู่ข้างทุกข์นะ แต่ข้างพ้นทุก์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับต่อไปชุดที่สองในหน้าที่สองนะอ่านพร้อมกันนะครับสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะสัมมาดวยยานุปัสนาติอิติเจพิกเวปุจิตาโรอัตสุ สิยาติสุวจนียากะทันจะสิยายังกินจิดุ ข, ขังสัมโพติสับบางอุปธิปัจยาติอายะเมกานุปัสนาอุปธินังตเววะอเสสวิราคานิโรธาณติดุขัสสะสัมโวติ อายังตุติยานุปัสนาเอวังสัมมาตวยะตานุปัสสิโนอถ า, าปรังเอตณดวาวจะสัทธานในข้อที่สองก็เป็นการพิจารณาธรรมะที่มีสองข้างชุดที่สอง สิยาอันเยนะปริยาเยนะสัมมาดวยตานุปัสนาติอิติเจภิกเวปุจิตาโรอัตสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่ามีผู้ถามต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าพึงมีผู้ถามปุจิตาโรก็คือผู้ที่ถามอัตสุพึงมีพึงมีผู้ที่ถามอีกว่าการพิจารณา ธรรมะให้เห็นเป็นสองข้างโดยถูกต้องในแง่มุมอื่นมีอีกไหมสิยาแปลว่าพึงมีมีอีกไหมอันเยนะปิปริยาเยนะในปริยายอื่นแง่มุมอื่นในมุมมองอื่นสัมมาโดยถูกต้องดวยตานุปัสนาการตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาว่าธรรมะมีสองข้าง การพิจารณาตามรู้ว่าธรรมะมีสองข้างโดยถูกต้องโดยแง่มุมอื่นมีอีกไหมถ้ามีคนถามมาอย่างนี้นะสียาติดสุวัจณียาเธอทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาว่ามีอยู่นะมีอีกไหมมีอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องพิจารณาแบบอริยรรสัจ4ี่อย่างเดียวมีเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นชุดที่สองแล้วจนกระทั่งมีอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงชุดที่สิบนู่นแหละจริงๆมีเยอะกว่านั้นอีกแต่ว่าเอาเท่านี้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเ่นะเอาเท่านี้ก็คงเข้าใจแล้วในการพิจารณาธรรมะกัฐันจะศยาถ้าเขาถามว่ามีอย่างไรเล่าก็พึงตอบเขาดังตอบไปนี้ยังกินจิทุก ข, ขังสัมโพติส บ, บางอุปทิปัจยาติ อヤเมกาโนปสนาทุกทุกทุกชนิดที่เกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะอุปธิเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการตามรู้พิจารณาข้อที่หนึ่งพิจารณาข้างที่หนึ่งยางกินจิทุกขังทุกทุกทุกชนิดทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทุกทุกอย่างนั่นแหละทุกขังก็ทุกนะยางกินจิก็อันใดอันหนึ่ง ทุกๆอันอันนั้นบ้างอันนี้บ้างสำโภติย่อมเกิดขึ้นทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสับบางทุกทั้งปวงอุปธิปัจญาย่อมเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นปัจจัยะมีการุปัสนานี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งข้างทุกทุกถ้ามันจะเกิด มันเกิดเพราะมีอุปธิเป็นปัจจัยไม่ใช่มันเกิดมา ล, ายลอยๆนะทุกถ้ามันจะเกิดเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยอันนี้เป็นข้างที่หนึ่งอุปทีนางตะเววะอาศสวิราคะนิโรธานัติดุขะสสัมโวติออยางดุติยานุปัสนา เพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกออกให้หมดโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งอุปธินั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการตามรู้หรือว่าพิจารณาข้างที่สองข้างที่หนึ่งทุกมันเกิดขึ้นทุกทุกอันที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยอันนี้ข้างที่1 อันที่สองก็คือถ้าทําให้อุปธิมันดับสนิทไปทั้งหมดความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ไม่มีไม่ใช่ไปดับทุกนะแต่ว่าเพราะความดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือของอุปธิของปัจจัยมันไม่มีปัจจัยมันความเกิดขึ้นของทุกขก็ย่อมไม่มีเ น, น, นี่ยทนองนี้นะฉะนั้นในเรื่องการดับสนิทอะไรของทุกนี้ไม่ใช่ไปดับทุกแต่ว่า ให้ดับสนิทเหตุปัจจัยมันเพราะความดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอุปาินั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกขก็ย่อมไม่มีทํานองนี้พอไม่มีทุกเกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับแล้วการไม่มีทุกเกิดแล้วก็ไม่มีทุกจะให้ดับอันนั้นก็เรียกว่าทุกขนิโรธคือความดับสนิทของทุกขซึ่งสภาวะที่จะทําให้ดับสนิทของทุกข์ได้จริงก็คือพระนิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานและนามรูปก็ดับสนิทไปขันธ์ทั้ง5กองทุกก็ดับสนิทไปหมดนะครับพระนิพพานจึงเป็นความดับสนิทของทุกขความหมดไปของทุกขไม่มีทุกเกิดความเกิดของทุก์ไม่มีแนวธรรนองนี้นะครับอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการพิจารณาธรรมะว่ามีสองข้างชุดที่สอง ข้างที่1ก็คือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นปัจจัยนี่ข้างที่1ข้างที่สองก็คือเพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือของอุปธิความเกิดขึ้นของทุกขย่อมไม่มีนี่ข้างที่สองนะเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็จะเหมือนเดิมเอวังสัมมาเทวยตานุปัสสโน ภิกษเมื่อเป็นผู้ตามรู้ธรรมะว่ามีสองข้างโดยชอบอย่างนี้เป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นส่งไปแล้วก็สามารถหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการนั้นคือเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันหรือถ้ายังมีความยึดถือมีกิเลสเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะ งงพอพิจารณาออกบ้างไหมเนี่ยทุกที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยอุปธิแปลว่าที่ตั้งของความทุกข์มันมีที่ตั้งของความทุกข์แล้วก็มีกรรมมีกิเลสอะไรต่างๆเป็นปัจจัยมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ใช่มันมาได้ลอยๆนะต้องมีที่ตั้งแล้วก็มีตัวผลักให้มันเกิดตัวอุปธิอุปธิแปลว่า ที่ตั้งของความทุกข์ที่มีทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีที่ตั้งมีตัวปัจจัยผลักมันขึ้นมานีตัวที่ผลักมันขึ้นมาก็คือพวกกรรมพวกกิเลสอะไรต่างๆเราทั้งหลายมีความไม่รู้เป็นกิเลสมีความอยากได้ความต้องการก็ไปกระทํากรรมเอาไว้เยอะแยะพอกระทํากรรมเอาไว้เยอะแยะพวกนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์คือมันผลักให้กองทุกข์เกิดขึ้นมาอได้อีก จุติดจิตดับไปอันนี้กองทุกข์อันเก่าดับไปแล้วมันก็ผลักให้กองทุกข์อันใหม่มาเกิดขึ้นเกิดจิตอันใหม่เกิดนามรูปอันใหม่สลาญตนะผัสสะอันใหม่เยอะแยะมากมายอย่างนี้ของเก่าดับไปมันก็ผลักให้เกิดอันใหม่ไปเรื่อยฉะนั้นอันที่มันเกิดขึ้นมาอยู่นี้ไม่ใช่มันมาได้ลอยลอยนะมันมีที่ตั้งของมันมาอ่านะถ้าเราทําลายที่มั่นของมันเรียบร้อยไปไงความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็ย่อมไม่มี ทำนองนี้นะฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องไปทําลายที่มั่นมันไม่ใช่ทําลายตัวมันนะไม่ใช่ทําลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดขึ้นนี่แต่ทําลายที่มั่นมันนะทานองนี้นะครับท่านจึงบอกให้อุปทีนังตเววาอเสสวิราคานิโรธาเพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือ ของอุปธิฝึกฝนให้มีสติมีปัญญาจนกระทั่งเกิดวิชาขึ้นได้รู้แจ้งอริยสัจอย่างนี้พวกกรรมพวกอะไรต่างๆสังขารดีและชั่วที่เคยทำไว้ก็ประมวลผลไม่ได้แล้วประมวลผลไม่ได้ที่ตั้งของความทุกข์มีไหมล่ะทีเนี้ยก็ไม่มีไม่มีก็ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็ย่อไม่มีก็จบกันทำนองนี้นะครับ นี่ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการพิจารณาธรรมะว่ามีสองขั้วโดยถูกต้องนะครับหลังจากพระองค์ตรัสขยายความจบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาต่อไปในบาลีข้อ734อ่านพร้อมกันนะครับอุปาทินิธานาปะพวันติดุขาเยเกจิ โลกัสมิมะเนกะรูปาเยโยเวอวิทวาอุปทิงกโรติปุนัปปุนังดุขามุเปติมันโดตัดสมาปชานังอุปทิงนกะยิราดุขัสสะชาติปปะพาวานุปัสสีติ นะพระองค์ก็สรุปเป็นคาถาซึ่งก็สรุปมาจากคําขยายความข้างบนนั่นแหละแต่อยู่ในรูปของคาถาเพื่อให้มีความทราบซึ้งขึ้นเพราะว่าบางคนเขาชอบรูปร้อยกรองเป็นคาถานะคาถ า, ามันจะมีความไพเระาะนะแม้แต่เราแปลออกมาแล้วก็ยังเพลาะอยู่เลยถ้าเรารู้ในแง่ของหลักภาษาหลักการเขียนร้อยกรองมันก็จะยิ่งเพลาะไปเรื่อยนะทำตรงนี้แต่ว่าเอาละเราก็ ได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้น น, นะนะทำานองเนี้นะเพราะว่าคำในคาถาจะมีลูกเล่นแล้วก็มีคำเปรียบเทียบเปรียบเลยได้ให้เห็นแบบมีมุมมองอะไรที่ลึกลับกว่าคำขยายความทั่วไปอุปธินิดานาปพวันติดุกขาเยเกจิโลกัตสมิมะเนกรูปาทุกทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ที่หลากหลายรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นนิธานเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะอุปตอุปธินิดานาแปลว่าเพราะมีอุปธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิธานเป็นแดนเกิดนิธานก็แปลว่าเหตุเกิดปพวันติแปลว่าย่อมเกิดทูกขาก็คือทุกข์ทั้งหลายเยเกจิ Ye ji, เหล่าใดเหล่าหนึง่งโลกัสมิในโลก อั น, นกุรูปปาหลากหลายรูปแบบมากมายเหลือเกินทุกทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบในโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นปัจจัยนะทุกมีหลากหลายรูปแบบมากนะเอาแต่คนนี่ก็หลากหลายรูปแบบเยอะแยะนะคนหน้าตาก็แตกต่างกันทีนี้ยิ่งสัตว์เดรัจฉานเป็นไงโอ้ รูปร่างก็แตกต่างกันมากมายบางตัวก็ใหญ่มากเป็นช้างไปเลยบางคนก็บางตัวก็เล็กเ ป, เป็นมดเป็นแมลงไปหน้าตาก็แตกต่างหากินก็แตกต่างเป็นไงทุก ม, หก ม, กหมีหลากหลายมากไหมโอ้หลากหลายมากนะมีหลากหลายรูปแบบในโลกนี้ทุกตอนนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันหมดนะ โยเวอวิทวาอุปทิงกโรติปุนปุนังทุกขุทุขามุเปติมันโดก็บุคคลใดที่ไม่มีปัญญาย่อมกระทําแต่อุปธิโยนะบุคคลใดโยเวบุคคลใดแลอวิทวาที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาอุปทิงการติก็ย่อมกระทําแต่อุปธิทําแต่เหตุทําแต่ที่ตั้งที่จะทําให้เกิดกองทุก ทำแต่กรรมต่างๆที่ประกอบไปด้วยตัณหาอุปาทานเพื่อตัวตนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ทุกข์มันมีที่ตั้งมันาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเราทำแต่ที่ตั้งนี้พวกไม่รู้ทำแต่ที่ตั้งของของทุกข์ทำแต่อุปธิปุณณปุนังทุกขะมุเปติมันโดคนที่โง่โงก็ย่อมเข้าถึงความเป็นทุกข์บ่อยๆย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆปุณณปุนัง บ่อยๆซ้ำๆซักๆดุขะมุเปติอุเปติแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงทุกบ่อยๆคนโง่ก็ได้ทุกมาบ่อยๆเข้าถึงทุกบ่อยๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้การเกิดทุกคราวก็เป็นทุกทุกคราวนะไม่ใช่เกิดแล้วมันจะชาชินหรือว่าทานทนมากขึ้นนะเกิดทุกทีก็ทุกทุกทีเหมือนเราทั้งหลายนี่เกิดมาตั้งหลายทีแล้วเกิดชาตินี้อีกทุกห ยังทุกข์เหมือนเดิมนะยังไม่ยอมชาชินสักทีหนึ่งนะถ้าแบบคนอื่นด่าบางทียังชาบ้างใช่ไหม อ, อกหักบ่อยๆก็ยังชาได้บ้างแต่ว่าเกิดเนี่มันทุกทุกทีแหละเนี่ฉะนั้นพวกคนโง่เนี่ได้อะไรมาเกิดทุกที ก, ทก็ทุกทุกทีเข้าถึงความทุกข์บ่อยๆตัสมาประชานางังอุปทิงนกยิราดุกสชาติ ป, ปพภวานุปัสสีเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่รู้อยู่ ผู้ที่รู้ประชานังแปลวะ่าผู้ที่รู้อยู่รู้ความจริงอันนี้ชาติปปพวานุปัสสีดุขัตะชาติปปพวานุปัสสีมีปกติมองเห็นชาติเป็นแดนเกิดแห่งทุกชาตินั้นมันเป็นแดนเกิดของทุกนะความเกิดขึ้นการได้ขันมาใหม่ได้โผล่ขึ้นมาได้อายตนะมาใหม่นี้มันเป็นแดนเกิด หรือว่าเป็นจุดกําเนิดของความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกอันอื่นมันตามมาให้ผลได้ไหมทีนีเ้เรื่องต่างๆคนที่เราไม่ชอบศัตรูหรือว่ากรรมอะไรต่างๆที่ทําดีบ้างไม่ดีบ้างมันโอ้หาที่หาทางมาลงได้เยอะนะถ้าเราไม่เกิดมามันหาที่มาลงให้เราได้ไหมมันไม่ได้แต่ถ้าโอเกิดขึ้นมาเมื่อไหรนะ่ฉะนั้นชาตินี้จึงเป็นแดนเกิดของทุก คือเป็นจุดกําเนิดของทุกเลยชาติเนี่ยเหมือนเราเกิดมาปั๊บเนี่ยเรียกว่าเตรียมเลยเพราะว่าอันนี้แหละคือแดนเกิดของมันจุดกําเนิดของทุกขในแต่ละชาติแต่ละชาติไปคนที่มีปัญญาเขารู้จากอันนี้รู้จักว่าทุคขศชาติปปพวานุปัสสีรู้จักว่าชาตินี้เป็นแดนเกิดของทุกไม่ใช่สามีทําให้เราทุกไม่ใช่เงี้ยนะมันดันเกิดมาต่างหากนะ แตถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าคนรู้แล้วอุปทิงน ก, กนยิราก็จะไม่พึงกระทาอุปธิแล้วฉะนั้นผู้ที่รู้อยู่มีปกติมองเห็นว่าชาติเป็นแดนเกิดแห่งทุกก็ไม่พึงกระทำอุปฏิไม่พึงทำเหตุที่จะเป็นที่ตั้งของความเกิดอีกนะครับที่เรามีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรมามากมายนะก็เพราะเกิดมานั่นแหละ ท้าเกิดขึ้นมาเมื่อไหรก่ก็ทุกก็เพิ่มเติมขึ้นมามากมายและกรรมเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ประมวลมาให้ผลได้นะถ้ารุนแรงก็ไปยิ่งไปเกิดในอบายอะไรต่างๆนี้ก็โอรับเละไปตําหนองนั้นนะถ้าเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็น้อยหน่อยแต่ว่าแท้จริงก็เป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่รู้รู้มองปกติมีปกติมองเห็นว่า ชาติเป็นแดนเกิดของทุกเขาก็จะไม่กระทําอุปธิอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นคู่เป็นสองข้างชุดที่สองก็คือทุกเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นปัจจัยนี้เป็นข้างหนึ่งข้างที่สองก็คือ เพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งอุปธินั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีไม่ทําที่ตั้งของมันทําลายที่ตั้งของมันที่ตั้งของความทุกข์นี้อวิชชาความไม่รู้อริยสัจความอยากความต้องการไปหลงทํากรรมเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อกองทุกข์นั่นแหละตัวตนมันไม่มีนะกองทุกข์มันเกิดก็ไปยึดถือกองทุกข์ว่ามันตัวตน ความไม่รู้มันก็เกิดความอยากทําเพื่อตัวตนไปทํากรรมเพื่อตัวตนอันนี้เป็นฐานที่ตั้งของมันทั้งหมดเลยอุปธิที่ตั้งของทุกข์ที่มันจะเกิดและแดนเกิดของมันจุดกําเนิดของมันก็คือชาตินะทำนองนี้นะครับเหมือนกับเราทั้งหลายก็ได้มาแล้วในชาตินี้นก็คือเกิดมาแล้วก็รั บ, ร, บรับเละไปนะทำนองนี้ถ้าไม่อยากจะมาวนเวียนอย่างนี้อีกก็มีนะทำลายที่มั่นของมันอันนี้ให้หมด ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ไม่มีทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่สองอเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ